ความรักของพ่อเวลาที่พ่อพาลูกๆเข้าไปในป่าพ่อจะคอยแนะคอยเตือนถึงวิธีการรักษาและป้องกันตัวจากภัยอันตรายรอบด้านโดยเฉพาะพวกสิงสาราสัตว์ประเภ ท, ทต่างๆเช่น เรื่อหนึ่งพ่อพาลูกๆไปเก็บลูกเรีวที่ขึ้นอยู่ตามป่าเพราะขายได้ราคาดีดังนี้เวลาเข้าดงระหว่างเดินไปให้ใช้สายตาคอยสังเกตดูแถวแถวขอนไม้นะเสือมันมักจะมอบอยู่ข้างๆ้างขอนถ้าเห็นมันให้รีบวิ่งมาหาพ่อนะก่อนจะเก็บลูกเรีว ให้สังเกตดูสิ่งรอบข้างว่ามีงูมีสัตว์ร้ายหรือไม่ถ้าไม่มีก็รีบเก็บลูกเร็วได้ตอนเข้าไปในดงในป่าลึกๆโน้นให้มองดูต้นไม้ที่เด่นๆสังเกตว่ากิ่งไม้มันยื่นไปทางทิศไหนตะวันออกหรือตะวันตกให้สังเกตทิศของดวงอาทิตย์ด้วยให้จำไว้ เวลากลับจะได้ไม่ลงทางเร็วเป็นไม้ล้มลุกมีเงาคล้ายต้นขา่าผลใช้ทำยาพ่อมักจะพาท่านไปตีพึ่งอยู่บ่อยๆโดยตอกถอยฝังเป็นขั้นๆไว้ในเนื้อไม้จากนั้นก็ปีนขึ้นไปเอารังพึ่งบางครั้งก็เอาน้องของท่านไปด้วย ในคราวที่พาลูกไปพ่อจะบอกหนทางไปกลับให้ลูกรู้จักหมดและจำให้ได้เรื่องนี้น้องๆของท่านเคยเล่าไว้ว่าพ่อพาท่านไปตีพึ่งบ่อยๆ บ, บางทีก็เอาน้องไปด้วยพ่อจะบอกทางหมดว่าทางนี้ไปนั้นทางนั้นจะไปนั้นส่วนลูก มักจะกลัวเสือจึงต้องได้เหลียวดูอยู่ตลอดถ้าไปเอาเพึ่งคุ้มพึ่งโปรงเมื่อไปถึงทางแยกพ่อจะบอกว่าทางเส้นนี้ไปหนองปากด่านนะออกบ้านคากลิ่งนะไปทางนี้ไปเข้าดงใหญ่ดงหลวงไปได้เตลิดเลยนะถ้าไปทางที่เรามานี้จะคืนกลับบ้า น, นเรานะ พาไปไหนก็จะบอกไว้หมดเรื่องหนทางพ่อคงจะคิดเผื่อไว้ว่าหาปีนพลาดพลัดตกต้นไม้ตายลูกก็จะไม่รู้หนทางคืนกลับบ้านได้จึงต้องบอกกันไว้ก่อนพ่อเป็นคนปีนขึ้นไปตีพึ่งปีนเก่งเป็นทั้งพลานเป็นทั้งหมอพึ่งด้วยในสมัยก่อนยังไม่มีธนาคาร เวลามีเงินมีทองเขามักจะเอาไปฝังดินไว้พ่อของท่านบางทีเวลาไปดงไปป่าก็จะเอาเงินไปด้วยทีละช่างแม้เข้าป่าล่าสัตว์ก็เอาติดตัวไปด้วยเวลาลงอาบน้ําในหนองก็จะเอาเงินไปซ่อนไว้ในพุ่มไม้ก่อนการที่พ่อต้องเก็บต้องหา ต้องระแวดระวังทรัพย์สมบัติดังกล่าวก็ด้วยเหตุผลที่พ่อเคยบอกลูกๆว่าโอ้ยสาธุพ่อทำอะไรก็หาไว้เผื่อลูกเผื่่อเต้าทั้งนั้นแหละตัวเองไม่รู้ว่าจะได้อยู่ได้กินยังไงก็ช่างไม่ว่าขอให้ลูกขอแต่ให้ลูกได้อยู่ได้กินมีความสุขก็อพอ